เพราะนั้นใครเนี่ยไปสร้างกรรมเลวสร้างกรรมร้ายเอาไว้เนี่ยนะผลที่จะตามมาก็คือจะทําให้คนนั้นเนี่ยจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างที่ตะกี้บอกเนี่ยเพราะประการที่หนึ่งที่จะได้รับคือจะต้องได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจถ้าไปสร้างกรรมกรรมชั่วที่เบาหน่อยนะเอ้าก็ได้รับโทษทันอย่างเบาๆหน่อยนะอาจจะแค่อะไรอะ่ะโดนโดนขโมย นิดหน่อยนะถ้าหนาักหน่อยอาจจะโดนจี้โดนป่นโดนทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยไปทำบาป ท, ทำกรรมอะไรมากหรือว่าน้อยแค่ไหนวันอย่างอย่างที่หนึ่งอย่างแรกพรนะพุทธเจ้าบอกเนี่ยกรรมอันเนี้ยนะถ้าใครไปทำกรรมแบบนี้เอาไว้คนนั้นก็จะได้นรกนรกบนดิ น, น่แหละไม่ต้องไม่ต้องรอว่าว่าตายไปแล้วถึงจะไปอยู่นรกใต้ดิน นหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถามจริงๆเหรอเราทําดีสักกี่มากน้อยแล้วไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเราไปทําสักกี่มากน้อยถ้าทุกคนเนี่ยลองไปหาสมุดทุกเล่มนะบันทึกทุกวันเลยบันทึกทุกวันเลยนะแบ่งแบ่งสองฝั่งไว้เลยนะฝั่งหนึ่งดีฝั่งหนึ่งไม่ดีแล้วลองบันทึกดูสิทุกๆวันจะเห็นเลยว่าที่ดีเนี่ยนะรู้สึกน่าจะว่างๆอยู่เรื่อยเลย ไม่ค่อยมีอะไรเขียนสักเท่าไหร่แต่พอไม่ดีนะี่นะโอ้โหจะเขียนได้เยอะเลยเพราะอะไรบางคนตื่นเช้ามายังไม่ทันไรเลยนะแค่คิดอ่ะตื่นขึ้นมาก็แค่คิดแล้วโอ้วันนี้อย่าไปทำงานเลยยังนอนไม่พอเลยนอนต่ อ, อยีก้นหน่อยแค่อย่างงี้ก็ขี้เกียจแล้วนะแค่เริ่มขี้เกียจแล้วหรือบางทีตื่นขึ้นมาอ่ะมีใครทำอะไรไม่ถูกใจบ้างก็อารมณ์เสียละ บางั้งก็งุดหงิดนะยิ่งบางคนอารมณ์เสียโกรธแล้วก็ด่าทอบางทีก็ทะเลาะกับคนอื่นเขาเนี่ย น, นี่นี่ก็เป็นสิ่งไม่ดีแล้วนะนี่ก็เป็นบาปแล้วนะแต่ถ้าใครเอาเลยนะใครตื่นมาตอนเช้าก็โอ้โหตื่นมาก็ยิ้มเลยนะเจอใครก็ โ, โหทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยอย่างโยมารีรัตเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ดีมากๆ นั่นแหละจะยิ้มแย้มแจ่มจใสอันเนี้เนะ่ยใสไว้เลยด้านหน้าที่เป็นความดีเป็นกุศลใสได้เลยว่าเออเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มจใสอ่าเราได้บุญอันนี้แแต่ถ้าใครนี่เอาแล้วเดี๋ยวแค่ตื่นเช้ามาบางคนกินกินข้าวเช้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจอารมณ์เสียอีกและบางทีก็ว่าคนทําหรือว่าคนที่ซื้อมาซื้อไม่เป็นเลย บอกซื้อไม่เป็นสับ ป, ปะรดเลยก็ไม่มันก็ไม่ใช่สับ ป, ปะรดจริงๆด้วยดีนะเอาละเนี่ยเนี่ยเอาอย่างเงี้ยมาอีกแล้วนี่สายวิด้านที่ไม่ดีแล้วไปสํารวจดูเถอะแม้แต่บอกแล้วพออาหารการกินสํารวจดูสิเรากินอาหารที่เป็นบุญหรือเปล่าหรือเรากินอาหารที่เป็นบาปไปสังเกตอยู่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นบุญบอกแล้วก็ต้องไม่ผิดศีลก็ต้องไม่ไปเบียดเบียนใครเข้ามาที ถึงจะเป็นอาหารที่เป็นบุญถูกไหมต้องไม่ไปฆ่าฆ่าชีวิตอื่นเข้ามาต้องไม่ไปลักขโมยใครเข้ามาต้องไม่ไปทุจริตแล้วก็ได้เงินทองมาแล้วก็เอาเงินที่เราไปโกงหรือว่าไปทุจริตมาแล้วก็มาซื้ออาหารบวกนี้กินอา้าวอย่างนี้มันจะเป็นอาหารบุญได้ยังไงอ่ะเพราะอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงข้างที่อ่าอันนี้บาปอีกแล้วแต่ถ้าจ้แบ่งเงินทองเราก็ได้มาโดยสุจริต ซื้อเราก็ไปซื้ออาหารที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตอื่นไม่จะไปโกงชีวิตใครเข้ามาไม่ต้องทำให้ใครตายเพื่อเราอ่าอย่างนี้ก็เป็นอาหารบุญนะเราก็ใส่ในด้านความดีอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไล่ไปเรื่อยจนไปถึงอ้าวถ้าไปทางานคุณดูสิคุณไปทางานเป็นยังไงคุณทุจริตคุณโกงอะไรไหมหรือว่าเออเราขยันเราตั้งใจทำงาน ให้คุ้มกับเงินเดือนที่เขาจ้างเรามาเราไม่ได้คดโกงเขาอถ้าคุณไม่คดโกงคุณทําคุ้มอ่คุณก็ได้บุญไปสิใช่ไหมแต่ถ้าคุณอ่าไปก็ไปสายทํางานก็รีบเลิกก่อนเวลาอู๋บ้างอะไรบ้างอ้าวนี่คุณคุณโกงเขาแหละคุณโกงค่าจ้างเงินเดือนเขาแล้วสิทำไม่คุ้มกับที่ค่าจ้างเงินเดือนนี่ก็ต้องถือว่าคุณทาไม่ดีถูกมาก เนี่ยให้ไปสํารวจละไล่ไปเลยตั้งแต่เช้าจดุดจุดค่ําคุณไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะจนกระทั่งเอาสมมุติว่ากลับมาบ้านเอาบางทีดูหนังฟังเพลงอะไรต่างคุณดูสิคุณดูหนังฟังเพลงแบบไหนอ่ะหนังที่มันโอ้โหเป็นเรื่องเร็วๆไล้เป็นเรื่องที่ดูแล้วยิ่งทําให้จิตใจเราเสียอาจจะไปดูหนังแล้วก็ยิงโอ้โหเกิดตาม่าคะหรือยิ่งดูแล้วหนังข้าค่ากัน หนังรุนแรงยิ่งดูแล้วก็รู้สึกโกรธรู้สึกแหมสัใจรู้สึกมันในอารมณ์นะทําให้เราก็พลอยอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ่านี่มาอีกแล้วถ้าอย่างนี้ก็ต้องลงข้างที่ไม่ค่อยดีเลยละนั่นแหละวันไปสํารวจทุกๆวันแล้วเราจะพบเลยจะเห็นได้เลยว่าเออส่วนใหญ่จริงๆเลยชีวิตแต่ละวันเนี่ย ทำไม่ดีนะมากกว่าทำดีนี่อาตมายังไม่เอาถึงเรื่องคำพูดเลยนะเพราะคนเราเนี่ยยิ่งทำ บ, ทำบาปเพราะการพูดเนี่ยมากเลยมากจริงๆเพราะบางทีพูดพูดโกหกบ้างบางทีพูดดินทาพูดว่าร้ายคนอื่นเขาโอ้โหยังผิดอีกเยอะเลยนะเรื่องคำพูดเพราะนั้นเนี่ยจากการที่ให้หลายๆคนลองไป คิดลองไปนึกแล้วลองไปทํายังไม่มีแม้แต่ลายเดียวเลยที่จะบอกว่าแต่ละวันเนี่ยทําดีได้มากกว่าทําเลวส่วนใหญ่เนี่ยจะทําบาปเนี่ยมากกว่าทําดีเพราะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงอย่างเงี้ยยิ่งให้เห็นเลยว่าโอกาสที่บาปกรรมมันมาตามเล่นงานเรามีมากมายเหลือเกินเรียกว่าคิวยาวมากเลยคิวของบาปกรรมเนี่ย ยาวอาจจะจากที่นี่ไปถึงสนามหลวงก็ไนดนะ้คิวยาวมากแต่แม้ธนาคารบุญของเราเนะ่คิวสั้นจุ๋ดีอ่ะเพราะไม่ได้ทําดีอะไรมากมายเลยวราะอันนี้อันตรายถ้าใครรู้อย่างนี้นะผู้ที่ฉลาดหรือผู้เจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยเวลาแต่ละวันเนี่ยให้สูญเสียไปนะที่นี่เนี่ยนะพาะท่าน ท่านบอกว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเราจะรู้เลยว่าโอ้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาไหนคราวไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราพูดไม่ดีเรากินไม่ดีแล้วเราทำไม่ดีแล้วจะรีบแลวจะรีบปรับจะรีบแก้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยบันทึกลงในส่วนดีให้ได้นะบางทีเขาสร้างหนังสร้างละครเขาก็ไปสมมติเป็นสุวรรณกับสุวรรณ ใช่ไหมที่เขาไปสร้างหนังก็อย่างนั้นแหละทำดีก็อยู่ในบัญชีของสุวรรณทำไม่ดีก็อยู่ในบัญชีของสุวรรณเขาเขาจะบัญึกลงไปเลยนะก็นั่นแหละก็เหมือนกันนะเขาก็เปรียบเปรยให้ฟังแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆวันท้าคนเราเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ได้โอ้โหจะไม่อยากทำบาปอะไรที่เราเองเนี่ยเราทาดีได้ จะรีบทําดีเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องใช่นี่ทั้งนั้นเลยถ้าหากทําไม่ดีเไว้เดี๋ยวมันตามมาเพราะฉะนั้นได้นระกนี่ไม่ใช่คราวนี้ไม่ใช่ได้แค่ตอนเป็นเป็นนะตายไปแล้วก็ยังเอาติดตัวต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจะเกิดชาติไหนจะเกิดเป็นอะไรก็ตามต่อให้เกิดเป็นคนก็ตามหรือไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามยังไม่รู้นะว่าจะมีบุญพอเกิดเป็นคนหรือเปล่าถ้าบุญไม่พอก็ไปเกิดเป็นสัตว์ แล้วสัตว์นี่มีจานวนมากกว่าคนเยอะเลยนะสัตว์ในโลกนี้มีคุณโอ้โหกี่กี่พันกี่หมือชนิดไม่รู้ในโลกนี้แต่คนเนี่ยเนี่ยเนี่ยชนิดเดียวเนี่ยคนสัตว์เนี่ยนกมแมลงปลาปูกุ้งหอยอะไรมากกว่ากันเยอะเลยนะแล้วก็จิตวิญญาณก็เหมือนกับคนนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทํากุลนมากพอไม่ทําบุญให้มากพอตายไปแล้วโอกาสเป็นสัตว์มากเหลือเกิน โอกาสที่จะมาเกิดเป็นคนได้น้อยมากพระจ้าท่านกระตัดยืนยันไว้เลยว่าโอกาสเกิดเป็นคนนี่น้อยมากวันหลายคนเนี่ยหลงระเลิงในชีวิตแล้วก็คิดว่านะตัวเองเนี่ยเอาชาตินี้แหละฉันไม่รู้ละชาติหน้าจะมีไหมเอาเป็นชาตินี้แหละกินสูบดื่มเสพทำอะไรตามใจชอบไม่ต้องคำนึงถึงใครฉันมีความสุขคนเดียวฉันพอพอใจของฉันแล้ว แล้วก็ทําทำทำเอาใหญ่เลยนะพวกนี้แหละนะจะต้องเจอนรกเจอนรกแน่คือจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังทุกวันนี้จะเห็นไหมละ่ะว่าอะไรอะโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็การติดยายาบ้ายาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไม่ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนรกจะถามหา นะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งดูนะักรกรรมกรรมอย่างแรกกรรมอย่างที่สองที่จะให้ผลก็คือเนี่ยไปกําเนิดสัตว์ดิเรกชนันคือเนี่ยแหละจะไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกนะจะกลายไปเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยนะหลายคนที่บางทีเนี่ยยังเนี่ยกินสัตว์อื่นๆอยู่แล้วเราก็คิดว่าเขาเกิดมาเพื่อให้เรากิน นะหรือว่าบางทีไม่คิดเลยว่าเขามีชีวิตได้ซ้ําไปกินจนกระทั่งติดในรสชาติติดความอร่อยก็เลยกินไปเรื่อยเรื่อยจนลืมลืมนึกถึงว่าเขาก็มีชีวิตเขาก็มีพี่เขาก็มีน้องเขาก็มีพ่อแม่เขามีความรักตัวกลัวตายเขามีความโกรธเขามีความเกลียดชังเขามีความอาฆาตจองเวรได้ด้วยนะเหมือนคนทุกประการ เพราะนั้นน่ะเราไปเอาชีวิตอื่นเข้ามาเขาก็แค้นเขาก็อาฆาตเขาก็จองเวรได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราวังให้ดีวันไหนๆเนี่ยนะเรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วสั่งสมเอาไว้นะเพื่อที่เราจะได้นะเอาบุญเนี่ยพาให้เราไปเกิดในชาติหน้าได้อีกเพื่อที่เราจะได้เป็นมนุษย์ในชาติหน้าได้อีกนะอย่าให้ไปเป็นเดรัจฉานเลย ส่วนข้อที่สามพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมที่ให้ผลในกําเนิดเปรตนะเปรตนี่ก็หมายถึงความโลภนั่นเองนะความโลภความหิวกระหายนะอยากได้นั่นะอยากได้นี่อะไรมากๆนะอันนี้พุทธเจ้าท่านใช้หมายความว่าเปรตเพราะฉนั้นถ้าใครอยากจะเป็นเปรตนี่นะขี้โลภให้มากๆขี้โลภให้ จ, จัดนั่นแหละคือคนที่กําลังเป็นเปรตแล้วไม่ต้องรอตาย เมื่อไม่นานมา น, นี้ปีที่แล้วมั้งที่เขามีทําเปดปลอมอะ่ะไม่รู้ใครได้ข่าวป่ะหนังสือพิมพ์เขาใช้คําว่าเปรตกู้นะอันนั้นเขาปลอมเอาแต่เปรตจริงๆมีจริงๆแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาปลอมอย่างเงี้ยเปรตจริงๆก็คือนี่แหละคือคนที่ขี้โลภอยู่ก็หายอยากนั่นอยากอนีอไน่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนะ อยากได้บ้านอยากได้ ล, ลดอยากได้เงินทองมากๆนะทุจริตคอร์รัปชันอะไรเอาขอให้ได้มาเหอะโลภซึ่งอันนี้แหละจริงๆนะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแหละเป็นเปรตั้งแต่ตอนนั้นเนะ่ะตอนที่มีชีวิตอยู่นะก็คิดดูสิคนนั้นอนะ่ะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็เอาเลยนะอยากได้โนูน่นอยากได้นี่ไม่มีอิ่มไม่มีพอ น่าก็เป็นเปรตมาตั้งแต่เช้าแล้วตื่นมาก็เป็นเลยบางคนหิวก็หายเหลือเกินบางคนก็หิวเงินนะไม่ใช่อาหารนะเงินไม่ใช่อาหารแต่โอ้โหอยากได้มากเหลือเกินจนบางทีเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นเขาอะไรคนอื่นเขาก้าวทำทั้งนั้ น, นขอให้ขอให้ได้มาเวันจิตปัญญาอย่างนี้แหละที่พพุทธเจ้าท่านถือว่านี่แหละเป็นจิตปัญญาแบบเปรต วันคนเนี่ยเป็นเปรตตั้งแต่ตอนเป็นเปนแล้ววันถ้าไม่มีร่างกายเท่านั้นเองถ้าตายไปเนี่ยไม่มีร่างกายก็จิตวิญญาณมันเป็นเปรตอยู่แล้วอะ่ะก็ตายไปแล้วมันจะไปเป็นอะไรอะ่ะตายไปมันก็ต้องเป็นเปรตเพราะจิตวิญญาณมันเป็นอยู่แล้วนี่แหละเสร็จแล้วตอนมีร่างกายอยู่นี่นะมันยังยังเสพยังอะไรได้ใช่ไหมแต่ถ้าตายไปไม่มีร่างกายเนี่ยโอ้โหคุณเหลือแต่สภาวะจิตที่มัน อยากได้อยากได้กนดิ้งขุกขักขูๆๆๆๆๆ่ขักขู่ขับเป็นเปรตนี่ไปเกิดยากกัด้วยนะเขาถึงบอกว่าเปรตนี่ไม่ค่อยไปผุดไปเกิด <c oughs> พวกเปรตนี่ไม่ค่อยดไม่ค่อยไปผุดไปเกิดสักเท่าไหร่เพราะมันโลภมันอยากได้จนกระทั่งบางทีมันเลยโอ้โหไอ้นุ่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาอะไรมันมันมันขี้โลภจนมาเกิดยากยากเกินไปนะเพราะฉะนั้นจะมาเกิดแต่ละทีจะมาเกิดแต่ละทีโอ้โหชานาน พอไม่ได้มาเกิดหรือว่าไม่ได้มามีร่างนะแล้วก็ไ ป, ไ ป, ไปเปรตอยู่ช้านานก็ยิ่งทุกข์ทรมานอยากจะกินได้นั่นอยากจะมีไอ้นี่แต่ไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายที่จะไปเสพเนี่ยโอ้ทรมานทรกรรมมากเลยก็อยากจะเกิดนะอยากจะเกิดอยากจะรีบเพราะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเป็นคนนะเพราะว่ามันก็อยากอยู่จะ่หมต้องว่ารีบจะเกิดรีบจะเกิดเพราะในที่สุดพวกนี้นะนูน เขบอกแล้วสัตว์มันเยอะกว่าคนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะชีวิตสัตว์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในโลกนี้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอยากจะเกิดมากๆอยากเกิดส่วนย์ส่วนใหญ่เกิดเป็นสัตว์ไม่ค่อยจะเกิดเป็นคนแล้วนะแล้วก็ต้องทรมานทรการย์อย่างนี้นะใครติดอร่อยใครชอบกินอะไรชอบสวยชอบงามคราวนี้ก็เลยปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้แล้วสิ ยิ่งถ้าไปเกิดเป็นเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆน่ะนะที่ไม่ใช่คนน่ะคุณคิดดูสิแต่จิตวิญญาณเนี่ยมันเคยชอบใช่ไหมมันเคยอยากก็นั่นอยากก็นี่เอาไว้มีที่ไหนล่ะคุณไปเจอไม่ต้องเอาเอาอะไรอ่ะเอาลิงก็ได้เอาไก่คนที่สุดละถ้าไปเกิดเป็นลิงอย่างเงี้ยคุณคิดดูมันจะทําอะไรได้เหมือนคนขนาดไหนนะสมมุติว่าคุณเห็นเหรอลิงมันกิน มันแต่งตัวหรือว่ามันอะไรอ่ะเสพอะไรต่ออะไรเหมือนกับคนมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปตามภาษาลิงนั่นแหละแต่นี้มันอยากได้นะจิตมันก็ยังมีอยากได้อยากได้ไดแต่มันทําไม่ได้เหมือนคนอีกต่อไปแล้วว่ามันก็จะทกุกข์ดิ้นขู่คาขูกคาตามภาษาของลิงก็ทรมานโทรกรรมไปอย่างนั้นแล้วตอนนี้ยิ่งไปเป็นสัตว์อื่นซึ่งไม่ได้เกิดเป็นคน โอกาสที่จะทำดีโอกาสที่จะทำบุญขุศนโอ้โหก็ยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นยิ่งหมดโอกาสนะโอกาสที่ดีที่สุดก็คือได้เกิดเป็นคนนะซึ่งสามารถที่จะทำดีจนกระทั่งดีดีๆนะลดละ ก, กิเลสไปลดละ ก, กิเลสไปนะสามารถถือศีลสามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งลดกิเลสลดลงลดลงไอ้ความคข้า ย, ยาดนะ่ะ ความราคาโทสะโมหะอะไรต่างก็ยิ่งลดลงได้มากลดลงได้มากลดลงได้มากนั่นแหละมากจนกระทั่งถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะหลุดพ้นไปได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีสัตว์โลกไม่มีชนิดอื่นที่จะทำได้แบบนี้นอกจากคนเท่านั้นมาเกิดเป็นคนถึงจะทำได้มีอยู่ชนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็หวังว่าพวกเรา นั้นก็อย่าให้ไปเป็นเปรดเลยส่วนข้อที่สี่กรรมที่ให้ผลนะในมนุษย์สยยโลกนี่แหละคราวนี้แหละเราจะต้องสั่งสมกรรมดีตั้งแต่ตื่นเช้ามาทาจิตให้มันดีไปทํางานทําการก็ทําให้มันสุจริตนะบางทีใครมายืออาาย่อมาแย่จะให้เราโกรธให้เราโมโหให้เราไม่ชอบใจหัดมีขันติหัดอดทนอดกั้น หัดยอมให้เป็นบ้างจะได้เย็นลงมาได้ถ้าอะไรอะไรก็ยอมไม่ได้เลยก็ต้องเถียงก็ต้องทะเลาะกาันบางทีพี่น้องกันแท้เลยนะเถียงกันจะฆ่ากันยังงมีเลยเพราะนั้นขาวนี้แหละก็เราอยากดีเราอยากได้บุญกุศลเราอยากได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งสมกรรมที่เป็นมนุษย์อย่าไป ส, ไปสั่งสมกรรมที่เป็นเปรตอย่าไปสั่งสมกรรมที่ เป็นเดรัจฉานอย่าไปสั่งสมกรรมที่เป็นนรกอย่าไปสั่งสมกรรมอย่างนี้สิแล้วสั่งสมกรรมที่จะเป็นบุญที่จะทำให้เราเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนะอันนี้เป็นอย่างที่สี่ส่วนอย่างสุดท้ายนะกรรมข้อนี้พูุทธเจ้าบอกว่ากรรมที่ให้ผลในเทวโลกหรือพูดง่ายว่ากรรมระดับที่ เกิดเป็นเทวดานะเทวดานี่ก็หมายถึงสภาวะจิตใจขั้นสูงจิตใจที่ดีนะที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถจะทำจิตได้อย่างชนิดที่เรียกว่าโอ้โหยิ่งดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีมากขึ้นไม่ต้องรอเทวดาบนบนสวรรค์อันนี้เทวดาเดินดินเนี่ยเทวดาบนโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าท่าน ท่านเรียกท่านหมายเทวดาเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงคนเรานี่แหละสภาวะจิตที่มันที่มันสบายใจแล้วสภาวะจิตที่ดีเราสั่งสมความดีต่างๆเอาไว้คนที่ทำบุญทำกุศลเอาไว้มากพอมากพอจนกระทั่งชัดเจนแล้วก็ชัดใจตัวเองเลยนะคนนั้นไม่ค่อยวิตกไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกไม่ค่อยกลัวอดไม่ค่อยกลัว จนไม่ค่อยกลัวตายไม่ค่อยกลัวอะไรสารพัดน่ะความกลัวพวกนั้นจะลดลงจะลดลงเพราะจิตใจเนี่ยนะได้ฝึกอดทนได้ฝึกทําดีจนกระทั่งใจเราเนี่ยมันพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใจที่สูงขึ้นอย่างนี้แหละนะเขาเรียกว่าใจเทวดาเพราะนั้นคนที่เป็นเทวดานะถึงได้เปรียบเหมือนกับโอ้โหอยู่บนฟ้านะมีวิมานอยู่ในอากาศ ก็ไม่ถึงจิตใจที่มันโอ้มันสบายแล้วนะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่างโยมารีรัตเนี่ยนะเชื่อได้เลยว่าทําบุญกุศลแล้วก็เข้าใจคุณความดีเรนต่างมามากพอขนาดนี้เนี่ยนะก็เหมือนกับกจิตใจที่สบายแล้วเหมือนกับเทวดาต่อให้ถึงเวลาความตายมาถึงความตายจะมาคร่าชีวิตเอาไปเนี่ยนะก็ไม่ทุกข์ร้อนไม่ ต้องวนไม่อะไรอะ่ะกลัวกลัวโอ้ยจะต้องพัดพากจากของที่รักอะไรต่างๆกานนะจะไม่หรอกเพราะตอนที่มีชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็ฝึกฝนทั้งนั้นเนี่ยนะยิ่งถ้ามาฟังเทศฟังธรรมนะได้ฝึกฝนไม่หอบห้วงไว้ไม่มีใจเป็นเปรต เ, เนี่ยไม่ต้องไปหอบห้วงเอาไว้มีใจกล้าเสียสละนะแล้วก็ไม่โอ้โหทุกเดือนร้อนใจเป็นนรกก็ไม่นะอันนี้พยายามทําดีให้ใจเป็นสวรรค์ นะแล้วก็ไม่มืดบัวไม่โง่เขาไม่แหม้ไปทำแบบสัตว์โลกอื่นๆแบบดิเดชานทั่วๆไปก็ไม่ทำมีความฉลาดรู้จักฟังเทศฟังธรรมรู้จักเอาธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าอาหารการกินไม่ว่าการอยู่หลับนอนนะที่อาศัยหรือการงานต่างๆมีความฉลาดที่จะรู้จักทำอะไรแล้วเป็นบุญกุศลของตัวเอง ใช่ไหมวันสั่งสมอย่างนี้สั่งสมงนี้จิตก็เป็นเทวดาเพิ่มขึ้นในขณะที่ล่างเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแะจิตวิญญาณเริ่มสูงขึ้นเป็นเทวดาขึ้นเทวดาขึ้นเป็นมากข้ามากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดนะถึงเวลาที่ต้องเสียชีวิตไปถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆก็จากไปโดยที่ไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยวันคนที่ฝึกถือศีลปฏิบัติธรรมมา นะจะไม่มาทุกร้อนอะไรต่อให้มีวิบากกรรมมาเล่นงานนะอาจจะเจออุปัติเหตุหรืออาจจะต้องเจ็บไข้ไตป่วยแต่ จ, จิตใจจะไม่ทุกข์ไม่ทุรนทุรายเหมือนคนที่ไม่ฝึกเพราะคนที่ไม่ฝึกนี่นะจะจิตทุรนทุลายเวลาบางทีเจออะไรสวยๆเข้าหน่อยบางครั้งก็เอาอละโอ้โหสวยจริงๆเลยทําไมวันนี้เจออย่างนั้นเจออย่างนี้โอ้บางทีทั้งบนทั้งว่าทั้งดา่า ทั้งหัวเสียนะควิดไม่เลือกเลยบางทีใครอยู่ข้างๆข้างๆนี่โดนควิดหมดไปผ่านบางทีนะไปมีทุกร้อนอะไรจากที่อื่นนะแต่มาพานคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอา้ามันคนละเรื่องกันเลยที่จริงแต่ถ้าคนที่ฝึกมาแล้วเขาก็จะแยกแยะเป็นเขาก็จะรู้เอ้าเอ า, เ อ, าอันนี้มันก็ไม่ดีซิอารมณ์อย่างนี้นะต้องเออหัดสะกดกัน้นหัดระงับอารมณ์นะบางทีเรนึกถึงพระถึงเจ้าว่า บางทีก็นึกถึงอา้าวบุญคุณนึกถึงความดีในโลกนี้บ้างอา้าวใครมีอะไรดีบ้างแล้วมีใครเขาทาอย่างนั้นเขาอดกัน้นอดทนอย่างนี้เออแล้วก็ฝึกเอามาทำแล้วใจเรามันก็จะลดความร้อนนะใจมันก็จะเย็นขึ้นบางทีนี่ก็หอบหวงไม่กล้าเสียสละนะกล้ารวยแต่ไม่กล้าจนท <c oughs> <c oughs> ่านมาศึกษาที่นี่บ่อยๆเขานะ จะมาเห็นความแปลกประหลาดของที่นี่หลายคนที่นี่เนี่ยเคยรวยมาก็มีเยอะนะแต่ทุกวันนี้พอปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องนะได้ตรงจริงขึ้นมาแล้วจะกล้าจนมากขึ้นเรื่อยๆอะไรๆที่ขอบหัวงว่าเยอะๆแยะๆโอ้โหสละออกไปได้เยอะเลยบางคนเนี่ยเคยอยู่บ้านสบายๆบ้านหลังใหญ่ๆนะโอ้โหมีหมดทุกอย่าง ตู้เย็นทีวีแอร์อะไรมีหมดทุกอย่างแต่พอรู้เข้าใจปับ๊บกลาลดละก้าสละออกมาได้นะบางทีมาอยู่เออนะบ้านไม่ต้องหลังใหญ่นะแอร์ไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้พัดลมไม่มีพัดลมก็แอร์กีกนะใช้พัดโบกเอาก็ได้ไม่ทุกร้อนอะไรมีชีวิตสามารถอยู่ได้โดยที่ปรับตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่ทุกนั่นแหละ พันนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นฝึกปรับจิตอย่างนี้อยู่เรื่อยนะปรับอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดจะพบอุปสรรคอะไรก็าตามนะคนนั้นก็จะเบาใจจะวางใจได้แล้วก็จะมีความสงบหรือมีความเย็นมากพอที่จะแก้ปัญหานั้นทุกคนไม่มีใครไม่มีปัญหาเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเกิดจากเราทํานั่นั้น ก็คือวิบากกรรมนั่นเองเวลามาันมาเล่นงานเรามันก็เป็นปัญหาของเราเพราะฉะนั้นพอเราเจอปัญหาปับ๊บเรารู้ทันทีเลยว่าเอาละ่ะนี่เจ้านี่มาตามทวงคืนล้วแทนที่จะมาโมวนั่งกุ้มนั่งทุกข์ใช่มเราก็จะรีบเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งสติดีๆหน่อยหนึ่งสองสามสี่นะนับนับไปให้ให้ ใ, หใหจยเย็นให้ได้จนกระทั่งว่าเอาเอชักจะเย็นพอละคราวนี้เราก็เอาละเดี๋ยวใช้สติปัญญาของเรา นะคิดให้มันดีอย่าไปคิดให้มันร้ายอย่าไปคิดเบียดเบียนทําลายใครครับคิดดูซิจะหาทางแก้จะหาทางออกยังไงหนะ้าที่จะทําให้เออก็อยู่ร่วมกันผาสุกหรือบางครั้งเนี่ยจะเอาเราจะเอาเต็มร้อยนะเขาก็ไม่ยอมนะจะให้เขาเต็มร้อยเราก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นก็ฉลาดพอที่จะปณีปณนอมอคนละห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันอ่าถ้าอย่างนี้ก็พออยู่กันได้ เนี่ยก็หาวิธีไปยังไงที่จะแก้ปัญหากันได้แล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขแนะละอันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลที่ทุกคนที่อยู่ร่วมกันนะก็จะอยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าทำดีซึ่งกันและกันนะก็จะเป็นผลบุญที่ทำให้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเท่านั้นแต่คนที่ใกล้ชิดคนที่รอบข้างเรานะก็จะพลอยทาดีไปด้วย นั่นก็จะได้ทําบุญร่วมกันนะเพราะนั้นโย ม, มารีรัตเนี่ยหรือโยมรวมธรรมนะจิตสุชนนะก็มีลูกหลานอันนี้ก็ต้องมีบุญร่วมกันมานะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีวิบากอะไรร่วมกันมานะถึงต้องมาเกิดเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานอะไรด้วยกันนี่ก็ต้องร่วมกันมาถ้าใครคิดว่าเออยังรักโยมแล้วก็ยังอยากที่จะ นะตามโยมได้ทันนะนะก็จะต้องมีทิศทางกระแสที่เป็นไปเช่นเดียวกับโยมถึงจะเกาะกันไปได้ติดอ่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีพ่อแม่อย่างเงี้ยเขาดีใจแล้วก็ชอบมังเลยเขาอยากจะมีอย่างนี้ในชาติอื่นๆอีกแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมจริงๆเนะี่ยทําคนละอย่างกับพ่อแม่เลยอย่างเงี้ยชาตินี้เท่านั้นแหละชาติหน้าตามกันไม่เจอแล้วเพราะว่า ชาติหน้าคนละรูปร่างหน้าตาแล้วถูกเขาะใครจะไปรู้ใครเป็นใครมันเหลือแต่จิตวิญญาณเพราะนั่นจิตวิญญาณคนละกระแสมันมันมันไม่รู้แหละ ว, ว่าใครเป็นใครยิ่งถ้าทำไม่เหมือนกันเลยนะาจิตไม่ไปด้วยกันเลยถึงเจอกันอยู่ก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอา้าก็คนละรสนิยมเลย เพราะฉะนั้นจะเจอแล้วก็จะเป็นไปได้ด้วยกันต้องรสนิยมเดียวกันนะถึงจะตามกันติดแล้วก็ไปกันต่อได้นะอะสุดท้ายนะในวันนี้นะอาตมาก็อยากจะฝากนะให้พวกเราทุกคนนะเมื่อฟังไปแล้วนะสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์คิดว่าเราสามารถจะเอาไปทำแล้วทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตนะก็ขอให้เราไปทาเถิด บุญกุศลนั้นก็จะเกิดแก่เราเองและบุญกุศลนั้นก็จะเป็นผลที่ทําให้คนอื่นๆได้พบได้เห็นแล้วเขาก็จะเอาพฤติกรรมหรือการกระทํานั้นไปทําดีเป็นตัวอย่างต่อต่อไปแล้วก็จะทําให้สังคมเนี้ยนะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นอ่ะสําหรับวันนี้ก็คงนะเอวันใบเพี่ยนเท่านี้